น, นการพิจารณาโดยทวนที่รอบครอบเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเริ่มเห็นอะไรตามตามเป็นจริงตามที่เขาเป็นเมื่อรู้เมื่อรู้สิ่งเหล่านั้นตามที่เขาเป็ น, นเราก็จะไม่ค่อยเสียใจใช่ไหมเราเสียใจั้ยเดี๋ยวก็ฝนตกแล้วเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกเราไปเดือดร้อนมากไหมไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละ ถ้าหน้าฝนเดี๋ยวฝนมันก็ตกหน้าร้อนมันก็ร้อนอย่างนี้แหละก็เลยไม่ได้ป่วยเพราะมันร้อนเกินไปหรือฝนมันตกใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเออความเป็นจริงของเขาเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นชอบไปคำหนึ่งก็บอกว่าสังขารทั้งหลายนี้เป็นเช่นนี้แหละเนี่ยนะเพราะะมันจะไปหวังอะไรกับสังขารมากนักเพราะฉันสิ่งที่เราหวังเนี่ยนะหวังอะได้แต่สิ่งที่หวังนี่จะไม่เป็นอย่างที่ที่หวัง เพราะความหวังเนี่ยนะจะเป็นจริงอย่างที่หวังก็ต่อเมื่อได้ปัจจัยพร้อมเหมือนกับว่าวันนี้หวังว่าฝนคงจะตกเห็นไหมลองไปหวังเดือนกลางเดือนเมษาดูสิหรือหวังกลางหน้าหนาวไงไหมหวังว่าวันนี้ฝนคงจะตกหวังยังไงมันก็ไม่ตกไอ้ที่ไม่หวังเลยมันจะได้เพราะความหวังถ้าประจวบกันกับสิ่งที่ถูกหวังเข้าอะเมื่อนั้นแหะมันจะสมหวังแต่จริงๆในโลกนี้เป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็น ก็ถ้าทุกคนนัเป็นอย่างที่ตัวเองเคยหวังมาทั้งหมดนะเชื่อไหมว่าไม่ได้ฟังทำหรอกวันนี้เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะมีแบบนี้เลยใช่ไหมมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าจะต้องหน้าที่นั้นจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเคยหวังไว้ตลอดตามไหมทั้งการเด็กๆมาเลยคิดไหมว่าจะต้องมาศึกษาธรรมะเนี่ยนะก็พูดถึงอย่างนี้นะนึกถึงในมิลินทปัญหาถ้าถามว่าเชื่อได้ยังไงว่านิพพานนี่มันสุขเนี่ยนะ ก็มีคำถามว่าเชื่อได้ยังไงว่านิพพานนี่เป็นสุขหรือดีจริงเลยนี่ก็เชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้าอริยเจ้าทั้งหลายท่านบอกว่าพระนิพพานนี่เป็นสุขอย่างยิ่งใช่ไหมนิพพานังปรังังสุขขังเนี่สุขจริงๆริงอ่แล้วคนอื่นบอกมึงเชื่อได้หรือเคยเห็นคนแขนขาดขาขาดไหยถ้ายิ่งสงครามโบราณ้วยนะยิ่งเห็นชัดนะเขาแขนขาดต่อหน้าต่อตาเลยนะรถชนโซโซอ่ะนะแล้วอย่างสมัยนี้ก็แบบ รถชนโซมาเลยนะจะอยู่อยู่หน้าชุกเฉินเนี่ยนะหอบกะระล่องกระเร่งกระล่องกระเร่งมาเลยอย่างเงี้เนะีเรารู้ไหมว่าเขาเป็นทุกข์รู้รู้ได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ไปทุกข์ขนาดนั้นรู้ได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรก็คือเราเพอ ร, รู้ว่าเพราะเขาบอกคือสเขาแสดงอาการที่เป็นทุกข์ให้เห็นถึงเราไม่เป็นแบบเขาเราก็รู้ว่ามันเป็นเป็นทุกข์อย่างแน่ คือถ้าเรารู้อย่างนั้นเราก็จินตนาการต่อไปเลยว่านารกก็ทุกกว่านี้เยอะเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะก็อาศัยเนี่ยปัญญาที่เข้าไปไปเห็นไปไข้ควรวนว่าเฮ้มันเป็นทุกข์จริงๆพระนิพพานเนี่ยนะสาหรับพระริยเจ้าท่านบอกว่าก็เป็นสุขจริงๆเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีมีศีลท่านก็ไม่ได้มูสาวาตโกหกอะไรเราทีนี้การยอ้อนมาหาพิจารณากายของเราเนี่ยนะเราเห็นคนป่วยมาเยอะๆเนี่ยแล้วเราไม่คิดว่าเราจะได้ป่วยแบบนั้นมั้งเลยหรือ หรือเราต้องป่วยก่อนแล้วค่อยทำปริญญาก็เรารู้ว่าสมัยนี้เขามีโรคมะเร็งกันเนี่ยนะเราต้องเป็นมะเร็งก่อนไม่ค่อยทำปริญญาเออเนี่ยนะภูตรูปกําลังก่อตัวขึ้นมาแลว้วเป็นก้อนชนิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่ตับที่ไตก็ว่าไปเอางั้นไหมต้องขนาดนั้นไหมไม่ต้องก็กายเนี่ยคือเป็นที่ตั้งแห่งโรคอยู่แล้วงั้นเราก็สามารถเอามาพิจารณาได้ถ้ากายเหล่านี้มีปัญหา ทุกเวทนาจะเกิดไหมเกิดถามว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านบรรลุอริยสัจ ต, ตอนที่ท่านอายุเจ็ดขวบเลยเนี่ยนะท่านไปเจ็บไปปวดมาก่อนหรือว่ายังไงบางคนเกิดมามีแต่ความสุขเลยนะอายุเจ็ดขวบมาเขาจับบวชนแล้วก็โกนผมเด็กก็บรรลุแล้วอะ่ะท่านไปรู้ปัญหาชีวิตอะไรมาเห็นไนะแล้วถ้าเราต้องสัมผัสจริงแล้วเราจะได้บรรลุนะเราก็สัมผัสกันมาคนละหลายสิบปีมาแล้วนะทำไมไม่ได้บรรลุ ถ้าถ้า บ, บอกว่าต้องเจอของจริงแบบนั้นต้องอยู่กับความจริงอันนั้นนเลยไหมแล้วค่อยบรรลุเนี่ยจึงไม่ใช่ใช่ไหมอันการตรัสรู้อริยสัจนั้นอะ่ะการพี่เรณาทุกขสั์ทั้งหลายเป็นปัญญาที่อย่างถึงตัออย่างที่เรียกว่าท่านมีความรู้สึกว่าพบสามเหมือนถูกไฟไหมคือที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันหมดออาแค่ธรรมดาเลยนะมีโยมคนหนึ่งะ ก, ก็บอกว่าเออที่ไหนมันไม่ไม่ปลอดภัยนะสาหรับผมเนี่ยที่ผมจะไม่ไปอาบายเขาว่างั้นนะ ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยสักอย่างเพราะทุกที่ที่ไหนมั่งนึกถึงบาปไม่ได้อะมาง่ายๆนี้ที่ไหนท่านนึกถึงบาปไม่ได้นะที่นั่นทุกที่ไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ละลึกถึงบาปที่ตัวเองทำก็ไม่ได้เนะท่านนึกถึงบาปตัวเองทำเลยไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะที่นั่นเนี่ยคือที่ปลอดภัยแต่ถ้าไปอยู่ที่ไหนก็ละลึกเออนั่นก็ นั่นก็น้อยอันนี้ก็ขาดอันนั่นก็ไม่พอที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยอะอยู่เถอะที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยแต่ที่ไหนอยู่แล้วระลึกถึงบาปตัวเองไม่ได้ที่นั่นปลอดภัยแต่ไม่ใช่ไปกินยาซะจนเบลอแล้วมันนึกอะไรไม่ออกอันนั้นไม่ใช่อันนั้นยิ่งไม่ปลอดภัยใหญ่เลยอันนั้นยิ่งไม่ปลอดภัยเอามากๆเลยเพราะนั้นก็ต้องเจริญกุศลเนี่ยนะไม่ต้องรอให้สิ่งนั้นๆเกิดก่อน ก็เหมือนกับว่าเราต้องตายก่อนไหมเราจึงรู้ว่าเออมรณะนี่มันเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยนะคือถ้ามีความสุดเจตใจเนี่ยนะอย่างแท้จริงเนี่ยในบินดาปาริสุดที่สูตรมัชิมนีกายอุปริปันธาสเนี่ยนะสูตรที่ร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคสอนภาษาริบุตว่าถ้าไปเบียนธบาทเนี่ยนะกลับไปเบินนทบาทแล้วกลับมาเนี่ย ทบทวนดูดว่ามีอารมณ์ไหนบ้างรูปอารมณ์เนี่ยนะที่เป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะเนี่ยยังมีอยู่หรือมีอยู่หรือเปล่าเนี่นยนะอารมณ์หกเลยมัสรุปว่าอารมณ์หกเนี่ยมีอยู่ไหมอารมณ์ไหนที่ยังเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะถ้ายังมีอยู่ให้ละรีบละซะเดือนนะ่ะก็ถ้ามีอ่ะนะก็ให้รีบละซะ ทำละทำยังไงจะต้องไปให้ตรงนั้นมันเกิดก่อนจะได้ละตรงนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่แล้วอยู่ที่ตรงนั้นอ่ะมันเคยเกิดแล้วมาพระพุทธเจ้าบอกให้ละเคยไปชอบที่ใดที่หนึ่งมาเนี่ยนะหรือไปชังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมามาถึงกุฏิแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้มาละที่กุฏิอ่ะทั้ทงๆ ท, ที่มันก็หมดไปแล้วใช่ไหมแล้วทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้ละจึงรู้ว่าการละกิเลสเนี่ยมันละโดยการพิจารณาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งกิเลส พิจารณาโทษไทยของกิเลสแล้วจึงละไม่ได้กิเลสเกิดแล้วก็เออดูมันเหมือนกับดูอะไรสักอย่างหนึ่ง น, นะแล้วละไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ฆ่าส่าศึกเพราะเราเห็นหน้าฆ่าสึกใช่ไหมว่างง่ายๆนะแค่เห็นหน้าตอนที่เขาอยู่ด้วยหมูย่าเขาเต็มไปหมดเราจะไปทําอะไรเขาได้กิเลสทั้งหลายก็เหมือนกันนะตอนที่มันมาแล้วมันมายิ่งออกมาฝูงญาติอีกมาไ ป, ไปหมดเลยนะ ระดมมาเป็นกองทัพกองทัพหมดนะอะฮิริกะก็มาอโนต ป, ปะก็มาอุทจักก็มาภาัสสะเวทนาสัญญาที่เป็นญาติญาติาเข้ามาหมดเลยจะไปทําไงกับเขาอะ่ะเนี่ยนะทําอะไรเข้าไม่ได้อยู่แล้วยิ่งคนที่ถูกราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ยนะจิตมันกําเริบหมดแล้วอะ่ะมันไม่ได้อยู่ฝ่ายนี้แล้วนะอยู่ฝ่ายโน้นหมดแล้วะ่ะจิตก็กําเริบแล้วขณะนั้นเนี่ยไม่รู้อัดไม่รู้ทํา มันมีแต่ความมืดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้เขาเกิดก่อนเพราะเขาเกิดเมื่ อ, อไหรนะนน่นะเสียคะแนนปัญญาดับไปเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ปัญญาดับไปเท่านั้นนั้นพระองค์บอกว่าให้รีบละซะละอย่างไรก็คือเก็บเอาสิ่งที่ผ่านมานั่นแหละมาทํปาปริญญา นี่ก็ทบทวนต่อไปว่าในบรรดาปียรูปสารรูปทั้งหลายเช่นรูปที่สวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมหอมรสอร่อยอร่อยโพธาภะที่หน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดที่เราติดเราคล้องเนี่ยมีไหมตรวจ ด, ดูเลยนะมียังชอบอะไรอยู่บ้างเอาถ้ามีก็ละซะน่งก็เช็นอนิวรห้ามีอะไรอยู่บ้างตรวจ ด, ดูนะนิวอลหา้าทั้งหมดเนี่ยอะไรมั่งยังเหลือ เนี่ยก็ตรวจนะจะเลยละซะแล้วก็อุปาทานขันห้าทำปริญญาอะไรมาบ้างแล้วกาหนดรู้แล้วหรือทําปริญญาในขันห้าแล้วใช่ไหมถ้ายังก็รีบซะเรีบร้อสติประธานเจริญหรื อ, อยังนะสมมารประธานอยู่ที่บาทอินทรีพระละอริยมัคมีองแปดเนี่ยเจริญหรื อ, อยังถ้ายังไม่เจริญก็รีบเจริญหรือสมถาวิปัสสนาเจริญหรื อ, อยัง วิชาและวิมุติทำให้แจ้งหรืออย่างเพราะฉะนั้นจะต้องทบทวนแล้วจะได้รีบรีบเจริญขึ้นไม่ใช่การเจริญเนี่ ย, เ, ยเราไม่ได้ไปเจริญทุกขศัพท์ใช่ไหมไม่ได้เจริญเวทนาเพื่อให้เวทนาเกิดถ้าเจริญเวทนาถ้าเป็นเจริญทุกขเวทนานะก็ไม่ค่อยอยากอะไรใช่ไหมถ้าถ้าให้เจริญทุกขเวทนาล้วนๆเลยใช่ไหมหาเรื่องให้ตัวเองทุกทายากไหม ไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเจริญเว้นได้ยิ่งดีพั้ทุกษัตริย์จึงไม่ได้สอนให้เจริญสมุทัยสัจจ์ก็ไม่ได้สอนให้เจริญแต่สอนให้ทำปาริญญาในทุกขสัจจ์สอนให้ละในทุกขสัจจ์ทีนี้วัดผูเป็นที่ตั้งแห่งปริญญาเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าบางอย่างนะถ้ายิ่งไปประสบจริงๆเข้าในทวารห้าเลยนะทําอะไรไม่ได้อันนี้ยิ่งเจริญไม่ได้ใหญ่เลยนะ ก็ก็ทําปริญญาในเนี่ยอารมณ์ห้าหรืออุปาทานขันห้านะไปในที่ที่ขันห้าเยอะๆจะได้พิจารณาขันห้าได้มากๆเป็นอย่างนั้นไหมดูอลองเข้างานกินเลี้ยงดู เ, เพื่อนเต็มไปหมดขันห้าเอาที่เขาดูฟุตบอลก็ได้เอะเต็มไปหมดเลยนะไปทําปริญญาขันห้าที่นั่นน่ะขันห้ามีให้มาให้หมดเลยมีมาให้เห็นจะได้ทําปริญญาให้หมดเลยนะทำว่าจริงๆแล้วทําได้ไหมล่ะน่าก็ยากมาก น, นะทั้นการพิจารณาเนี่ยนะยิ่ง ถามว่าคนสุขภาพดีตับอ่วยใครเจริญสติปฏฐานหรือเจริญธรรมะได้มากกว่ากันก็คนดีกว่านะถามคุณร้ายว่าตอนป่วยกับตอนนี้ไหนดีกันอย่างเงี้ยถ้าดีกว่าก็อย่าหายเลยเพราะถ้าป่วยแล้วมันดีขนาดนั้นไม่รู้จะหายทําอะไรอย่างเ้ยตอนไหนดีตอนนี้ดีกว่านะก็ดีแล้วล่ะเพก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะอาจนว่า เพราะว่าใครที่ในคนเดียวกันนะถ้าตอนสุขภาพดีๆกับตอนป่วยนะเชื่อไหมว่าการเจริญกุศลธรรมเนยตอนสุขภาพดีดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสภาวะเหล่านั้นเนี่ยนะเช่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเจริญจึงจะได้ผลเนี่ยนะอันนี้ทฤษฎีนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะไม่งั้นนะคนไข้ได้ดิบได้ดีไปหมดนะนะแล้วยิ่งคนไข้เยอะๆนะก็ไปสอนให้เขาเจริญเวทนาเลยกําหนดรู้เวทนานะนี่มันเป็น สภาวะที่เชียงใหม่ก็มีกลุ่มพยาบาลมาฟังธรรมอยู่เหมือนกั น, นนะถ้าเจริญแล้วตอนป่วยจริงๆแล้วมันได้ผลนะจะแนะนำให้เข้าไปบอกให้เข้าเจริญกันแต่ว่ากลับไม่ใช่หรอกนั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าตอนที่ดีๆอย่างนี้นะไม่สามารถศึกษาพระธรรมจนวิจัยอะไรเอาไว้ให้ดีให้เรียบร้อยนะเชื่อได้เลยว่าตอนล้มหมอนนอนเสื่อนี่นะลาบากแน่เงี้นนะ เพตอนนั้นเขาบอตอนนี้นะสติปัญญาก็ยังดีสุขภาพก็ยังดีอะไรก็พอใช้ได้หมดเลยอ่ะแล้วเจริญเท่านี้อ่ะนะเจริญได้เท่านี้แล้วตอนนั้นจะลําบากอีกขนาดไหนสมมุติว่าหน้าฝนเนี่ยยังน้ําจะดื่มก็ไม่ค่อยจะมีเลยใช่ไหมถ้าหน้าแล้งน่าจะไปดื่มอะไรเนี่ยนี่ก็เหมือนกันการเจริญกรรมฐานทั้งหลายก็เหมือนกันอะไรที่ยังไม่เจริญก็รีบเจริญซะอะไรที่ที่เจริญแล้วก็ชํานานหรือ ย, ยัง ค่องแค่วไหม่อ่า น, นะเรียกว่าวัตถุ ก, กตายะอถือทําให้เป็นวัตถุทําให้เป็นที่ตั้งได้หรือยังชํานาญค่องแค่วได้หรือยังเขาบอกว่าพผ้รารหันเนี่ยคืออะไรท่านพิจารณาสังขารไม่เที่ยงอย่างชํานาญน้อมปับเป็นเลยที่เรียกว่าโซ่ท่านบอกว่าถ้าจะให้เห็นว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนะท่านว่าปฏิกูลไม่ยับคือชนานํานาญมากนะนนึกแล้วเป็นเลยอย่างนง้ในสิ่งที่ปฏิกูลท่านนึก ว่าไม่ปฏิกูลก็ได้ก็ไม่ยากสําหรับท่านทั้งปฏิกูลทั้งไม่ปฏิกูลท่านว่าปฏิกูลก็ได้ทั้งไม่ปฏิกูลทั้งปฏิกูลท่านว่าปฏิกูลก็ได้คือคือท่านน้อมไปเห็นสิ่งที่งามๆทั้งหลายนะท่านน้อมไปหาอนิจจงก็ง่ายน้อมไปหาสุภะก็ไม่ยากสบายมากสําหรับท่านแล้วเห็นสิ่งที่เรียกว่าคนรังเกียจเลยนะท่านน้อมไปเจริญเมตตก็ได้ท่านเจริญกสินก็ได้ท่านมนัสิการโดยความเป็นธาตก็ได้ ชำนาญมากแป๊บเดียวหรือถ้าเห็นทั้งหมดนะท่านจะน้อมไปเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในทุกเหตุการณ์สถานที่ของเรานะีถ้ารับอารมณ์อะไรมาเราเจริญอะไรได้หรือยังมีเรื่องไม่สบายใจแล้วนึกถึงศีลได้หรือยังเนี่ยสบายใจเลยใช่ไหมเมื่อนึกถึงศีลอ่ะนะแล้วเรารักษาศีลมาแค่ไหนเราจรึงนึกแล้วสบายใจเลยนะมีปัญหาเช่นไม่สบายหนึ่งนอนแล้ลึกถึงศีลตัวเองอ่ะนะเคยอ่านชาดกไหมพระโพธิสัตว์ท่านบอกว่า สมาทานอุโบสถเสร็จก็นอนนึกถึงศีลของตัวเองอย่างเดียวเลยนะของเรารักษาศีลสา ม, มารถและลึกถึงศีลได้จนภูมิใจได้ขนาดนั้นหรื อ, อยังอนะถ้ายังก็เนี่ยคือรู้เลยว่าโหงานยังทําไม่เสร็จตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะเพียงแต่ว่าเอาพรมใหญ่ๆแล้วมากรบงานเอาไว้ให้หมดเนี่ยนะนะเลยนึกว่าตัวเองเนี่ยเสร็จงานหมดแล้วเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่นะเพราะนั้นการเจริญกุศลธรรมเนี่ยเป็นจึงเป็นกิจที่ต้องทําด้วยความ ภาคเพียรเนี่ยนะด้วยความเพียรจริงๆฉะนั้นเราจะผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ น, นะเพราะว่าใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งใช่ไหมคือกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะมันอาศัยรูปประคันเป็นวัตถุเป็นอารมณ์ถ้ารูปประคันเหล่านี้เสียหายกุศลก็เกิดไม่ได้ฉะั้นปัจจัยแห่งกุศลเนี่ยมีมากจริงๆเนี่ยนะคือขณะที่จะได้ขณะได้เหตุได้ปัจจัยแวดล้อม บริบูรณ์ถึงขนาดได้มีเวลาศึกษาพระธรรมเนี่ยไม่ง่ายเลยเพรรษทั้งหลายแล้วก็อยู่ในวัดตะางสงสารอันยาวไกลก็ยากที่จะได้เจริญกุศลที่ยากจะได้เจริญกุศลเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยแห่งอกุศลเนี่ยมันมากเหลือเกินคืออภิชากตโทมนัตเรามีมากเหลือเกินถามว่าทาไมจึงมากเรามานสิการอะไรบ้างไม่ใช่สุภาณิมิต แม้กระทั่งรับอาสุภาพนิมิตยอยู่ก็ยังนึกถึงหวังอีกจนได้ใช่ไหมป่วยไข้ก็ยังหวังว่าจะหายแม้กระทั่งรับอารมณ์ที่กำลังมีความทุกข์อยู่มากขนาดไหนก็ยังมีความหวังอยู่ตามเดิมสัตว์ทั้งหลายโดยปกติจะไม่สิ้นหวังหวังว่าเมื่อนั้นจะได้รับความสุขเมื่อนั้นจะได้ถึงความสุขนะตอนที่มีทุกตอนที่มีความสุขก็เพลิดเพลินตอนที่มีทุกก็หวังอยู่ร่าไป พันอัศธาเนี่ยนะมันฉาบทาไว้กับทุกๆอารมณ์พั้ะถ้าวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งอัศธาวัตถุนั้นจึงต้องเอามาทำปริญญาทำปริญญาไว้อย่างไงนะก็ว่างๆนะที่สวนเลือกสวนไร่นาที่ดินรถบ้านช่องห้องหอคนใกล้เคียงเนะนี่ยนะคนห่างๆญาติเอามาทำปริญญาไว้ให้หมดเลยถ้าไม่ทำเว้นะเดี๋ยวจะเขาจะมาแบ่งุโสมนัสเวทนาเราไปคนลนิดคนลหน่อยอนะ มีรถรถก็แย่งโสมนัสเวทนาไปเนี่ยน ะ, น ะ, นะถูกแย่งไปไหมมีบ้านบ้านก็แย่งโสมนัสเวทนาไปเนี่ยเนะ่มีอะไรก็สิ่งเหล่านั้นจะแย่งเราไปหมดเลยนะแย่งกุศลศีลแย่งอะไรไปหมดทุกทุอย่างที่เราเกี่ยวข้องนะถ้าจะมาโจรก็ไม่ปิดนะกล่นเอากุศลเราไปหมดเลยอ่ะกล้นทรัพย์คือศรัทธาฮิริโอตปะสุตะจารค้าปัญญาเขาไปหมดเลยอะมีอะไรมั่งทําให้ให้เรา และลึกถึงคำสอนมีกี่อย่างในในในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะทั้งชีวิตเราเลยนะตั้งแต่ออกตื่นเช้ามาจนถึงเข้านอนเนี่ยวัตถุใดบ้างเกื้อกูลให้เราให้ใจสิกขาเราเกิดถ้าเราเจริญอย่างไม่เพียงพอไม่อบรมสิกขาสามในอารมณ์ต่างๆให้เพียงพอนะอยากที่จะอารมณ์ใดก่อให้เกิดสิกขาพันการสมาทานสิกขาบ่อยๆนี่จึงจาเป็น จำเป็นเหลือเกินว่าทุกอย่างนะจะต้องสมาทานให้เป็นศีลสิกขาให้ได้ทุกอย่างเราต้องเจริญให้เป็นจิตตสิกขาให้ได้ทุกอย่างจะต้องเอามาทำญาตะปริญญาตีรณะปริญญาปะหะนะปริญญาที่เป็นอารมณ์ของปัญญาให้ได้เนี่ยนะเพราะถ้าเราไม่เจริญใจสิกขาเหล่านี้เอาไว้จนเพียงพอนะชีวิตเราก็น่าเป็นชีวิตที่น่าจะน่าการุณาก็น่าการุณาจริงๆงนะเพราะว่าโอกาส คือใครเล่าจะรู้ว่าอาทิตย์หน้าจะได้เจอกันอีกอนะเพราะชีวิตของเรามันไม่ได้อยู่แค่แค่เราคิดว่าเชื่อไหมคนที่ตายนะเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะตายนะอย่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเขาก็คิดว่าเขาจะถึงบ้านกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าถึงไหมไม่ถึงก็ไม่ใช่น้อยเลยนะถึงก็เยอะนะแต่ให้รู้ว่าทุกอย่างที่เราหวังจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังสิ่งที่เราต้องการก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการ มีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อค้าชาวพาราณสีไปขายของเขาเอาผ้าเขาขนไปเยอะเนี่นะไปถึงเมืองสาวัตถีเนี่ยก็หน้าฝนพอดีพอไปถึงหน้าฝนเข้าก็วางสินค้าเลยตั้งแผงลอยขายผ้าเออเนี่ยจะคิดว่าเออเนี่ยนะเขานอนคิดขายอยู่นี่แหละหมดฤดูนะ้ำฝนนี่แลหละฤดูหนาวก็ขายอยู่เนี่ยหน้าร้อนก็ขายอยู่นี่แหละจะขายอยู่นี่ร่ำไปอ่ะนะพระพุทธเจ้าไปกับพระนรินท์ก็โสมนัสยิ้มเลย พานนก็ถามมายิ้มอะไรพอค้าก็บอกเขาจะอยู่นี่เป็นปีๆนะแล้วนี่เขาพู้อีกเจ็ดวันเขาตายแล้วข้าพระองค์จะไปบอกเขาพระเจ้าข่าเออถ้าเธออาจก็ไปพอค้านนั้เป็นเพื่อนพานนท์พานนก็เลยไปนะอานนก็ถามว่าท่านจะทำยังไงเวราะงั้นบอกข้าพรเจ้าจะอยู่ขายผ้าอยู่นี่แหละตลอดฤดูนี้ตลอดตีนี้แหละว่างั้นบอกว่าจริงท่านมีชีวิตอยู่แค่เจ็วันนะสังเวชใจเลยนะ่ะเลยขอทำบุญตลอดเจ็ดวันนะวันที่ แปดก็ฟังอนุโมทนากรถาตามไปส่งผู้ธเจ้ากลับมาก็นอนตายนั่นแหละฉะนั้นเอาอะไรเป็นเครื่องวัดอนะนะมีนิมิตเครื่องหมายอยู่ที่ไหนว่าเอาอะไรไมาเป็นเครื่องรับรองในธรรมบเอขอข้ไปในชาดกจุเรื่องหนึ่งก็อบอกว่าหมอที่เก่งๆกันนะหมอก็ยังตายเลยกว่ากัน งูงูเงี้ยวเขี่ยวเสือนะมันทําให้ทุกอย่างกลัวหมดอะนะแต่มันทําให้ความตายกลัวไม่ได้อะนะนักรบในสงครามฆ่าเขาไม่หมดนะแต่มันสู้กับความตายมันรู้จะสู้ยังไงฉั้นความตายนี้เป็นสิ่งที่มีอํานาจสูงที่สุดเนี่ยนะแน่นอนที่สุดมันเป็นนิยามเลยนะมันเป็นธรรมดาจริงๆว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะไม่ตายไม่มีการเข้าไปรอบรู้ในะว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบ สังขารทั้งหลายมีความแตกทําลายเป็นที่สุดรอบการพิจรารณารอบรู้อย่างนี้เรียกว่าอะไรการเจริญยาตะปริญญาเนี่ยเออขอพัยตีรณะปริญญาเป็นตีรณะปริญญาที่เป็นอุปนิสัยสําคัญต่อการเจริญมัตตต่อการเจริญกุศลนั้นการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะถ้าไม่ก่อให้เกิดความเพียนขึ้นนะให้รู้ว่าผิดการพิจารณาอานิจจงทุกขังอนัตตานะ ถ้าวิริยินรีไม่เพิ่มขึ้นให้รู้เธอว่าไม่ถูกเนี่ย น, นะฉนั้นกุศลใดๆที่เราพอเจริญได้ก็เจริญไปเั้นการทำปริญญานั้นจึงไม่ต้องรอให้อารมณ์นั้นมามาปรากฏก่อนถ้าจะให้ปรากฏเจริญว่ายังไง น, นะถ้าถ้าเราจะถามนะถ้าต้องรอให้อารมณ์นั้นปรากฏก่อนหรือให้อารมณ์นั้นเกิดก่อนถ้าเจออารมณ์นั้นจริงจะกาหนดว่ายังไง เราต้องไปถึงที่ทํางานก่อนไหมแล้วค่อยเอาที่ทํางานมาทําปริญญาไม่ต้องก็ทำไว้ให้เสร็จเราไปเจอสมมติว่านัดกันจะไปเจอเพื่อนสักคนหนึ่งนะเพื่อนนั้นที่เราจะทําปริญญาเนี่ยต้องเจอหน้าเพื่อนก่อนไหมค่อยทําปริญญาหรือทําไว้ก่อนนั่นก็เจอหน้ากันเนี่ยนะเพราะนั้นก็บอกว่าควรทําเอาไว้ก่อนอย่าว่าปริญญาเลยแม้แต่ศีลจะต้องตั้งไว้ก่อนที่จะจะเห็นอย่างอินทรีสังวรทั้งหลายเนี่ยนะ เขาตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้ก่อนที่จะเห็นก่อนที่จะได้ยินก่อนที่จะรู้กลิ่นก่อนที่จะรู้รสก่อนที่จะรับกระทบโพสาภะแม้กระทั่งก่อนที่จะคิดในเรื่องอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเอาเรื่องนั้นมาคิดเขาคิดยังไงจึงจะดำรงอยู่ในอินทรีย์สังวรนั้นในดีกาวิสุทธิมัคศีลนิเทศท่านบอกว่าให้ตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้ก่อนเห็นไหมถ้าไม่ตั้งไว้ก่อนนี่ก็ยากเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของ อินทรีสังวรใช่ไหมทีนี้ไอาการตั้งสติเอาไว้ก่อนนี่จึงสำคัญให้ปฏิสัมพิธาเรายังไงนี่